ความสุขความเจริญจุมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิจาลยศรีปฐุมกำลังพูดเรื่องคาถาของพระัญญากนลทัญญะในวันก่อนได้มาประรบถึงคาถาที่ท่านตรวจดูสัตวโลกแล้วก็มองความคิดของสัตวโลก ซึ่งมีความหลากหลายแตกต่างกันออกไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือตกอยู่ภายใต้อำนาจของกระแสกิเลสท่านเปล่งเป็นอุทานว่าอารมณ์อันวิจิตเป็นนันมากในโลกคือประจพีมุดทนนี้ดูเหมือนจะรบกวนบุคคลผู้คิดถึงการมิตกันประกอบด้วยราคะอยู่ อันนี้เป็นสัจธรรมที่ไม่มีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นได้อู่นหนึ่งก็คือชาวโลกเราเป็นสัตว์โลกระดับกามาวจรภูมิคือจิตจะเกี่ยวข้องหมกมุ่นบุนยวายอยู่เรื่องของกิเลสกรรมกับวัตถุกรรมหมายความว่าตัวกิเลส มีการมาราค่าเป็นต้นนั้นเป็นเหตุให้บัวมอโมกมุ่นในวัตถุกรรมก็คืออารมณ์โลกทั้งหลายนั่นเองแต่ในขณะเดียวกันท่านก็มองเห็นทางออกพราะท่านก็ประสบทางออกมาแล้วจึงเรียกราวว่าฝนตกลงมาพึงระงับฝุ่นละอองทุลีที่ถูกลมพัด ฟุ้งขึ้นไปได้ชั่นใดเมื่อใดอริยสาวกมาพิจารณาเห็นด้วยปัญญาอันชอบเมื่อนั้นความดำริที่เกี่ยวกับการมราคะที่เกี่ยวกับโลภะที่เกี่ยวกับพยาบาทที่เกี่ยวกับโมหะของพระอริยสาวกนะฮะมีข้อแม้ว่าของพระอริยาสาวกรูปนั้น ก็ยอมสงบรงับไปในครนี้ท่านพระตษาจารย์อธิบายอีกต่อหนึ่งว่าอารมณ์งนงามวิจิตเป็นจำนวนมากในโลกด้วยอำนาจแห่งรูปเป็นต้นก็คือรูปเสียงกินรติโพตภะธรรมรมนั่นเองด้วยอำนาอำนาจแห่งสีทั้งหลายในรูปเป็นต้นนั้น และด้วยอำนาจแห่งเพศคือความเป็นเพศหญิงเพศชายบัรณาใหญ่ผมก็อยู่ที่คนสองเพศนี่แหละก็บุญวายอยู่กับเรื่องของกามเรื่องของโลภเรื่องของพยาบาทเรื่องของความเบียดเบียนกันจะถือว่าใครเบียดเบียนใครโดยส่วนเดียวก็คงจะไม่ถนัดนะเพราะจากเหตุการณ์ที่ปรากฏ ขึ้นในโลกเนี่ยมันก็เบียดเบียน ด, ด้วยกันทั้งสองฝ่ายแต่ว่าถามว่าใครเป็นผูเ้เบียดเบียนมากกว่าไอตัวเลขเหล่านี้ไม่ชัดเจนแต่จากข่าวครา ว, าวที่ปรากฏทางสื่อนั้นเราต้องยอมรับความจริงว่าสุภาพสตรีนั้นถูกเบียดเบียนมากกว่า เป็นการรังแกเป็นการล่วงเกินเป็นการข่มขืนในเรื่องของเพศเรียกว่าล่วงละเมิดในเรื่องเพศจนกลายเป็นปัญหาหน้ากลัวเพราะบางครั้งเป็นเรื่องของคนใกล้ตัวเป็นเรื่องของคนใกล้ชิดเป็นเรื่องของคนภายในครอบครัวถามมาแก้ได้ไหมก็ต้องถามว่า มีความสำนึกดีพอหรือไม่ล่ะคนรคนเราทักรู้รู้จักอะไรเป็นบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์อำนาจ ก, กิเลตนั้นที่จริงเราบรรเทาได้ถึงจะดับไม่ได้ก็บรรเทาได้บางครั้งก็ดับได้เป็นขณะขณะเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงไปรู้จักข่มใจห้ามใจ แล้วก็ปิดกระแสของอารมณ์นั้นโดยรูปแบบพิธีการต่างๆตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้เราจะเห็นว่าก็รูปแบบมันมีเยอะเลยแต่ว่าทั้งหมดแล้วก็คือว่าอย่างน้อยก็เป็นการบรรเทากระแสของกิเลสไม่ล้นออกมาข้างนอกในประเด็นที่ท่านบอกว่าในปัตตภีมุนทนนี้ ความดำริผิดที่ปรุงอายนิสุมนสีการคือการคิดโดยไม่รอบขอบไม่แยบคายไร้เหตุผลไม่ยุติด้วยเหตุผลและความดีเนี่ยมันก็จะเข้ารบกวรรนรองสังเกตว่ามันเป็นการชักกระเยอะกันระหว่างความคิดที่ถูกต้องกับความคิดที่ไม่ถูกต้อง ปาญหาสำคัญว่ากระแสะอารมณ์อะไรที่มันแรงกว่าในช่วงนั้นขณะนั้นฝ่นายนั้นก็ชนะไปแต่สรุปแล้วก็เป็นการต่อสู้กันระหว่างกุศลกับอกุศล น, นั่นเองหรือระหว่างกุศลธรรมกับพวกสรรพกิเลส ท, ทั้งหลายนั่นเองท่านอธิบายว่า คือตั้งอยู่เหมือนจะรบ ก, กวนบุคคลผู้คิดถึงการวิตกอันประกอบด้วยราคาซึ่งเกิดจากอารมณ์นั้นคือประกอบด้วยความพยายามของบุรุษเหมือนไฟที่ประกอบด้วยไม้สีไฟฉะนั้นหมายความไม้สีไฟกับไฟเนี่ยมันจะถึงว่าแยกจากกันก็ได้ไม่แยกจากกันก็ได้ เพราะเวลาไม้แห้งสองอันมาสีกันไฟมันก็เกิดขึ้นจากการเสียดสีนั่นเองปอนอารมณ์รักอารมณ์ชังอารมณ์ใคร่อารมณ์โลภมันก็มีลักษณะอย่างนั้นมันเกิดจากการเสียดสีกันคือการตรึกนึกการเหนียวนึกย้ำทำย้ำคิดปรุงคิดคิดปรุงกันอยู่อย่างต่อเนื่อง ในถึงจุดหนึ่งมันก็เบียดกันกระแสของกิเลสไว้ไม่ได้พระท่านบอกว่าเหมือนอะไรเหมือนอารมว่างามอันประกอบด้วยราคะคือการมิตกการมิตกนั้นมันเกิดจากการรู้สึกว่างามที่เรียกว่าสุภานิมิตหรือสุภาสัญญากำหนดว ร, รูปสวย กำหนดว่าเสียงไพเราะกำหนดว่ากลิ่นหอมกำหนดว่ารสอร่อยกำหนดว่าสัมผัสเนี่ยน่าจะต้องกำหนดว่าอารมณ์เหล่านี้น่าเหนียวนึกน่าตื่นึกและในที่สุดก็สยบติดอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นอีกประการหนึ่งท่านบอกว่า เมื่อใดพระยาสาวกพิจนาเห็นอารมณ์อันวิจิตในโลกเหล่านั้นด้วยปัญญาตามความเป็นจริงความเป็นจริงคืออะไรความเป็นจริงคือไม่มีอะไรที่เรียกว่าสวยงามแต่วัทวนธรรมชาติของสัตว์โลกนี่ท่านได้แสดงตงพุทธเจ้านะทรงแสดงไว้ในธรรมมุตเทิว่า โรคคือมูสัตว์เกิดแว่มาถึงมั น, นมก็เดินทางเข้าสู่ความแก่เดินทางเข้าสู่ความชราแล้วก็ใกล้ความตายเข้าไปชีวิตก็ไม่ได้ยั่งยืนนานอะไรตรงนี้ถ้าเรามาคิดว่าเออเราก็เกิดแล้วก็ตายจะสร้างบาปสร้างกรรมจะสร้างเวรสร้างภั ย, ส ร, ภยสร้างอันตรายกันไปทาไม โดยเวพาคนที่น่าคิดมากที่สุดเนี่ยก็คือคนที่นับถือพระพุทธศาสนาคนนับถือศาสนาอื่นก็เป็นเรื่องที่เขาจะต้องรับผิดชอบในตัวงเขาเองเพราะว่าอย่างไงยังไงนี่พระพูดขเขาก็ไปฟังอยู่แล้วคือชาวพุทธเหล่านั้นพระพุทธเจ้าสอนให้ตรักะว่าถูกชีวิตนี เกิดมาแล้วก็ต้องประสบกับความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากเป็นธรรมดาไม่มีใครจะผ่านพ้นไปได้ไม่มีใครจะร่วงพ้นไปได้เพราะในเกิดแวะมาถึงแล้วก็ตายเลยนี่เยอะแยะไปสนที่ในขันมารดามารดาไม่ทันรู้ก็ตายเสียในช่วงนั้น ช่วงในคันมากบ้างน้อยบ้างอยู่ในคันมากบ้างน้อยบ้างแล้วก็ตายในคันนั่นเองมีจานวนมหาศาลมากๆสแสดงว่าชีวิตไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายอะไรตายเมื่อไรนี่เราตอบไม่ได้ว่าตายเมื่อไรจะเราลองสังเกตว่าในเดือนพฤศจิกายน ก็มีผู้ใหญ่ฝ่ายธนะสงค์คือเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณบรรดมวัดเทพสิรินทราวาสปุป๊บปั๊บเลยก็เรียกว่าไม่กี่นาทีก็มโนภาพเลยแล้วก็ฝ่ายบ้านเมืองก็คือคุณสมัครสุนทรเวทก็ป่วยมานานจริงแต่ปุป๊บปั๊บหจะตายนี่ตายได้ ง, ง่าย ถืงแก่อสัญญกรรมเมาได้ง่ายชีวิตมันมีความเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาแต่ว่าเราก็ไม่ได้มองความจริงส่วนนี้ประการต่อไปโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีอะไรเป็นของของตนจะต้องลาทิ้งสิ่งทั้งปวงไป งามเท่าไรก็เถือมันก็งอมแหละอย่างนางงามในวันนัก ด, ดีที่เราพูดกันมากมายก่ายกองเด็กก็ถือว่านางซีดานี่งามมากนะแต่งามแบบแขกว่าแต่ท่านก็ตายอะ่ะนางงามในวันนัก ด, ดีส่วนมากแล้วก็หรูหรามากอธิบายเสียเพื่อพริงเลยแต่ก็ไม่มีใครรอดพ้นความตาย เพราะในความงามนั่นแหละแสงสีเสียงนั่นแหละมันเป็นของไม่เที่ยงไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสก็ตามเราก็คิดปรุงเอาเองปรุงเข็เราคิดปรุงปรุงคิดเราเองว่ารูปนี้สวยนะเสียงนี้ไพเราะนะกลิ่นนี้หอมนะรสนี้อร่อยนะสัมผัสนี้น่าจะต้องนะแต่ว่าจะต้องอยู่ได้กี่วัน เห็นอยู่ได้กี่วันฟังอยู่ได้กี่วันดมอยู่ได้กี่วันลิ้มอยู่ได้กี่วันจับต้องอยู่ได้กี่วันเหนียวนึกตึกนึกอยู่ได้กี่วันมันก็ต้องแตกทำลายเราแตกทำลายก่อนหรือมันแตกทำลายก่อนแต่ของเราทั้งหลายนั้นมันไม่ใช่ของเรามาแต่ต้นสมมติว่าเป็นของเราแล้วก็ไม่เป็นของเรา คือถ้าเราดูการแสดงทั้งหลายเนี่ยเราเห็นได้อย่างชัดเจนว่าชีวิตมันก็เหมือนการแสดงนั่นแหละก็ถุงสบออทั้งนั้นอยู่ปราสาทราชวังก็แล้วแต่จะแต่งตัวเอาเป็นเสนาเป็นข้าราชการเป็นกษัตริย์เป็นราชินีเป็นอะไรอะไรมากมายไกล่กลี่ยพอเลิแสดงก็คือจบมันไม้มีตัวตนก็อสิ่งเหล่านั้นอีก ต่อไปทางทั้งที่ตอนแสดงนั้นจะต้องตีบทให้แตกแล้วก็แสดงออกให้เหมาะสมแก่ฐานะที่ตัวเองถูกสมมติขึ้นโลกไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนสั่งการบงการ เราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างโน้นสิ่งนั้นเป็นอย่าง น, นี evil, น้สิส่ง er. นั้นเป็นอย่างโน้นมันก็ไม่เป็นอะไรตามเราสักอย่างแต่ว่าจุดที่ท่านมาประรบเนี่ยมันเป็นจุดเน้นของสภาวะทางจิตที่มันพล่องราคานี่มันตอบสนองไม่เต็มโลภะก็ตอบสนองไม่เต็มโทสะเองก็เถอะมันก็ตอบสนองไม่เต็ม มนุษย์ก็หมุนวนอยู่ในวัฏจักรตรงนี้ถูกผลักสายขับสายเสือกใส่เล่นไปตามกระแสของกามราคะตามกระแสของโลภะตามกระแสของโทสะตามกระแสของโ ม, โมหะแล้วก็บนเปนกันไปก็เป็นลีลาของอารมณ์ที่ถูกปรุงขึ้นถูกสร้างขึ้นถูกตกแต่งขึ้นเพระาะฉะนั้นท่านยิงแสดงไร้เห็นว่า ถ้าเราพิจารณาเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงโดยการเกิดขึ้นโดยการไม่ยินดีโดยเป็นโทษและโดยการสลัดออกหมายความว่าหนึ่งถ้าเราไม่ยินดียินร้ายเนี่ยมันมันไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นมีอารมณ์โลกเป็นนันมากที่เราได้เห็นได้ยินได้ดมได้ลิ้มได้ชิมเลยจะต้องแต่เราไม่ยินดีแล้วก็ไม่ยินร้าย มันก็เฉยๆคือแยกจิตออกจากสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็ไม่ใช่จิตจิตก็ไม่ใช่สิ่งนั้นจิตก็แยกออกไปก็ต่างคนต่างอยู่ไปแล้วว่ากันตามหลักความเป็นจริงอารมณ์ในลักษณะนี้จะมีมากเป็นพิเศษแต่เราสังเกตในชีวิตประจำวันเราเดินเราไปไหนมาไหนเราได้ยินได้ฟังอะไรแต่ไรที่เราไม่สนใจในี่มีเยอะ ไม่ได้กระทบใจก่อให้เกิดความยินดียินร้ายอะไรกับเราหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เป็นข่าวสารทางการเมืองก็ดีเศรษฐกิจก็ดีสังคมก็ดีตลอดถึงสาธารณภัยก็ดีที่มันเกิดอยู่ทุกวันนะในโลกแต่เพราะเราไม่รู้สึกไปยึดโยงกับคนสัตว์สิ่งเหล่านั้นเราก็มองด้วยการรับรู้ สาธารณภัยอาจจะสลดใจบ้างแต่ก็นอกวิสัยศึกสงครามอาจจะสลดใจบ้างแต่ก็นอกวิสัยเมื่อนอกวิสัยคิดไปก็ป่วยกันคือมันไม่ได้ไม่ได้รับประโยชน์อะไรขึ้นมาถ้าเราเริ่มต้นที่ไม่ยินดีทุกอย่างมันก็เดินไม่ได้คือความยินดีก็ดีความยินร้ายก็ดีมันเกิดขึ้นไม่ได้ให้ลองสังเกตว่า ความยินดีกับความยินร้ายเนะ่มันเกิดในวัตถุเดียวกันนั่นแหละแต่คนด้จังหวะกันเช่นสมมติว่าเราอชอบคนคนหนึ่งเขาก็ชอบเราเราก็ชอบเขาก็ยินดีได้กันเราชอบเขาเขาไม่ชอบเราก็ตั้งตัวเป็นศัตรูกับเราเราก็ไม่ชอบเขา ความยินดีก็กลายเป็นความหยินร้ายก็ตกลงมาทั้งหมดมันก็ปรุงคิดตัวเองคิดปรุงขึ้นมาเองไม่ได้ใครเป็นคนสร้างขึ้นทีนี้ถ้าเรามองให้เห็นโทษของจิตที่ไปเกี่ยวเกาะอยู่กับการ ม, มาวัตถุทั้งหลายเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดอะแล้วเราก็จะเห็นว่าคนที่ร่ํารวยแสนร่ารวยเนี่ย ก็ไม่ปรากฏว่าอยู่อย่างสงบก็มีแต่ปัญหาสารพัด ต, ต้องปลนปลือดดูแลตัวเองต้องมีรอปรพอต้องมีการเคลียร์พื้นที่ต้องมีอะไระอะไรอีกมากมายแ ก, ก่กองก็แสดงว่าการครอบครองเนี่ยมันเป็นโทษอย่างสุภา ษ, ษิต จ, จีนที่ว่าคนไม่ผิดดอกผิดที่มียกติดตัว ทีนี้เมื่อเรามองเห็นโทษแล้วเขาเรียกอาชีนวะคือมองให้เห็นโทษแล้วก็มองไปที่นิสระณะก็คือสลัดออกดึงกายดึงจิตโดยเฉพาะดึงจิตนะฮะดึงกายมันก็ดึงยากเหมือกั น, กนพอเราก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมเราต้องเกี่ยวข้องกับสังคมเราจะไม่ไปไหนมาไหนไม่เกี่ยวข้องกับใครไม่ได้ เห็นได้ยินได้ฟังใครเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากแต่นั้นก็ดึงจิตออกมาจากความยินดียินร้ายก็แนวอินทรียสังวร น, นั่นแหละคือสำรวมระมัดระวังอินทรียของตัวเองแม้เกิดความยินดียินร้ายอารมณ์มันก็คืออารมณ์นั่นแหละเราจะทำยังไงกับมันเามันก็เป็นเข้ามัอย่างที่มันเป็นนั่นแหละ เพียงแต่เราอย่าไปกำหนดใจอย่าไปยอมจำนวนอย่าไปยินดียินร้ายกับมันยันที่เคยเล่าถึงราชกุมารกับเพื่อนอัมมาท้าท่านไปเพื่อรับราชสมบัติที่กรุงตักกศิลาตามคำถมนายของโหรว่าถ้าไปที่กรุงตักกศิลาแล้วเนี่ยก็จะได้เป็นกษัตริย์แต่มีข้อแม้ว่าภัยระหว่างทางที่ยั่วยวนอารมณ์ จะต้องเอาชนะให้ได้ถ้าพ่ายแพ้มันก็ไม่ได้หรอกแม้แต่ชีวิตก็เอาไม่รอดคนห้าคนแรกไม่ยอมสํารวมอารมณ์ไม่มไม่ยอมสํารวมจิตเวลาสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผุดรผะเกิตามลำดับนะ 5, คนก็ตายทั้งห้าคนนั่นแหละแต่พระโพธิสัตวันไปได้ แม้จะมีการข่มขู่คุกครามปลอประโลมร้องหม่มร้องให้คือใช้เรียกว่ามายาห้าร้อยเล่มเกวียนจากหนังยักษกิ น, นีก็ทำอะไรพระโพธิสัตว์ไม่ได้แต่ในขณนะเดียวกันกษัตริย์แห่งมิถิลานั้นเองพอเห็นปั๊บก็ปิ๊งเลยพระโพธิสัตว์ปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวอะไรกับท่านกษัตริย์ก็รับเข้าไปไว้ในวาง กลางคืนคนนอนหลับยากกินนี่ก็เรียกบริวารมากินคนในวังเป็นจำนวนมากบ้านเมืองก็ขาดกษัตริย์ราษฎรเห็นความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวของพระโพธิสัตว์ก็เชิญขึ้นเป็นราชสมบัติสวยราชสมบัติเป็นกษัตริย์แล้วก็ได้แต่งงานกธิดาของอดีตกษัตริย์ตักกศิลาละเด็ง นี่จริงมันก็เป็นเส้นทางชีวิตที่เราเห็นกันอยู่แม้แต่ในการเรียนการศึกษามันเทียบแล้วเหมือนกับวิ่งแข่งมาราธอนอะถ้าใครไปอ่อนแอที่ตอนใดตอนหนึ่งมันก็อยู่ตรงนั้นแหละการเรียนของเราจึงเหมือนรูปเจดีย์คือไปแหลมอยู่ตอนปลาย แม้จบปัญญายเอกด้วยกันแล้วก็เก่งโดดเด่นจริงๆเนี่ยมีไม่กี่คนหรอกส่วนใหญ่ก็ลดหลั่นกันลงมานั่นก็หมายความว่าบนเส้นทางแห่งชีวิตในปัตถีมุนทนะเทระทันเน้นที่ปัตถีมุนทนคือในโลกคือแผ่นดินเนี้ยมันมีปัญหาในเรื่องของลีลาอารมณ์อยู่เป็นนันมาก แต่นั้นท่านจึงยกตัวอย่างว่าเหมือนฝนที่ตกลงมาย่อมระงับฝุ่นละอองที่ถูกลมพัดฟุ้งขึ้นได้เะนั้นเพราะเมื่อความเห็นชอบเกิดขึ้นความนาริผิดก็ไม่ได้มีที่พึ่งไม่มีที่ยึดเหนี่ยวเรื่องเดียวกันเนี่ยจะเห็นตรงสองอย่างได้ยังไงมันก็เห็นกันจ่าจ่าแล้วก็หาทางสลัดออกเท่านั้น ในพวกญาณสิบหกเนี่ยมันมีตอนหนึ่งก็เรียกพยะพยตูปัฐานญาณคือเราพิจารณาเห็นจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันใกล้ๆกับเราไปนอนอยู่ใกล้ซากศพหรือไว้นอนอยู่ใกล้กรงเสือราชสีพอมองเห็นว่ามันเป็นเสือเป็นราชสีเป็นซากศพแต่นั้นเองใจมันไม่คิดเกาะแล้วใจมันคิดหนีแล้ว แล้วก็หาทางหนีไปให้ได้ความคิดเหล่านี้เราจึงเห็นตัวอย่างพระรยาบุคคลเป็นนันมากซึ่งถือว่าท่านก็ยอดคนแหละกพระตามปกติแล้วคนส่วนน้อยเท่านั้นที่เอาตัวเองรอดได้ส่วนใหญ่เมื่อตกเป็นเหยื่อเหยื่ออะไรเราเหยื่อรูปเรือเสียงเรือกินเรือเหยื่อรถ เหยือสัมผัสอารมณ์ทั้งหลายตลอดถึงเหลื อ, เ, อเหยื่อของอารมณ์ที่ยั่วยวน่นด้วยวิธีการต่างๆแม้แต่การอะไรล่ะการธุรกิจทั้งหลายในโลกการทำมาหากินการครองชีวิตเนี่ยที่จริงมันก็อยู่กันท่ามกลางเหยื่อทั้งนั้ น, เ, นเพียงแต่ว่าทํอยังไงว่ามันมีเท่าที่จำเป็นจะต้องมี แต่ว่าทุกอย่างไม่แสวงหาในทางที่ทุจริตถ้าว่าคนปฏิบัติได้ระดับนี้ทําได้ระดับนี้สังคมก็น่าอยู่ขึ้นเยอะน่าอยู่น่าอาศัยขึ้นเยอะเพียงแต่ว่าขณะนี้เราก็ทําไม่ได้ดังนั้นท่านจึงกล่าวไว้ว่าพอสัมมาสังกัปปะคือความดําริชอบมันเกิดเนี่ย สมัมมามิจฉาสังกัปปะมันก็ดับหาทางเกิดไม่ได้แต่เมื่อจะแสดงถึงประการที่ตนเห็นด้วยปัญญาให้ปรากฏพระเทระก็กล่าวกล่าวอีกสามคาถานะฮะเมื่อใดพระอริยาสาวกพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวกไม่เที่ยง เมื่อนั้นพระสาวกนั้นย่อมหน่ายในทุกขนี้เป็นทางแห่งความหมดจดอั น, นี้เป็นสูตรเลยนะฮะก็เป็นสูตรเลยสเบสังคารานิจาติยดาปัญญายปัสสติอัถนิบิบนติดุเขเอส ม, มโก ว, วิสุทธิยานี่ก็ไปสอดรับกับท่านแสดงเรื่องอริยสัตย์กับเรื่องของไตหลักษข้อ น, นี้เป็นการแสดงอ น, นิจจลักษณะ แต่ว่าต้องเห็นด้วยตาปัญญาไม่จะเห็นด้วยตาเนื้อเราเห็นว่าแต่รักคล้ายๆจะง่ายนะคล้ายๆจะง่ายแต่ไม่ง่ายเลยเพราะก็จริงเราไม่สามารถสลัดออกได้ทั้งๆที่รู้ว่ามันไม่เทีย่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาแต่เราสลัดออกไม่ได้ก็ยอมจำนนอยู่กับสิ่งเหล่านั้นยอมตายอยู่กับสิ่งเหล่านั้น เขาเรียสยบติดกำนัดเพลิดเพลินชื่นชมยินดีจนถึงกับแตกสลายไปอยู่กับสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็ น, นาตาเหล่านั้นดังนั้นข้อความเหล่านี้ที่ยิงสั้นๆอยู่ในติลกณนาสูตรก็มีอยู่ในธรรมนิยามันสูตรก็มีคือสรุปว่าเป็นสูตรเป็นสูตรที่ที่ที่ว่าอย่างเนี้ยวิจากกสงแสดงไว้บ่อยมาก ประการแรกก็คืออริยสาวกพิจนาเห็นด้วยปัญญาอันชอบว่าการพิจนานั้นเราก็พิจนาสองอย่างคือพิจนาด้วยปัญญาที่ผิดก็เรียกว่าเป็นมิจฉาสังกปะคือดำรีผิดมันคิดถึงก็ผิดหลักรูปสวยหรือว่าสังขารเชียงอ๋ออเ น, นี้ยจะเที่ยงแท้ยังงยู่ เดือนี้มีการโฆษณาในลักษณะเท่งแท้ยังเยินเไม่หลอกไม่ดํารับรองว่าตลอดชีวิตจะไม่เป็นอะไรมันไม่มีอะไรหรอกที่เที่ยงแต่คนชอบไปถูกหลอกอย่างนั้นเนี่ะสินค้าชนิดนี้ไม่หลอกไม่ดําไม่ขึ้นสนิมนะใช้ได้ตลอดไปไม่ต้องซ่อมบำรุงมันไม่มีอ่ะสิ่งเหล่านี้มันไม่มีในโลกอ่ะ แต่ทำไมก็ออกมาทำโฆษณาได้และคนก็เชื่อกันได้เพราะอะไรเพราะเขาสะดับแล้วไม่พิจารณาเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงที่แท้จริงของมันเพราะสิ่งตั้งหเนี่ยสังขารที่ชื่อว่าสังขารเนี่ยมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาก แล้วก็ตรงกันข้ามกับความเชื่อในสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นของเทยกแท้แน่นอนและในขนาดเดียวกันมันก็คงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้วันก่อนฟังรายการคนต่างาศาสนานะพูดถึงการอยู่ร่วมกันของ คือเขาเป็นอิสลามเขาพูดว่าในประเทศต่างๆเช่นประเทศมาเลเซียก็มีอิสลามก็มีพุทธก็มีคริสแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่ร่วมกันได้ด้วยความเป็นมิตรแล้วก็ศึกษาข้อมูลไปติดตามสอบถามผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้นำของท้องถิ่นอยู่ ท่านบอกว่าท่านรับประกันได้ว่าชาวพุทธอยู่ได้โดยปกติสุขจะไม่มีอันตรายอะไรเลยแล้วที่ตายไปสี่ห้าพันว่าอย่างไงแล้วชาวพุทธที่อพยพหนีออกมาจากสามจังหวัดเนี่ยแสนกว่าแล้วเนี่ยว่าอย่างไงเมื่อก่อนก็อยู่ตั้งสามแสนกว่าเดี๋ยวนี้มีแสนกว่าเนี่ยคุณหมายความมาอย่างไงใครรับประกันอะไรได้มันสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง การกระทำของมนุษย์ไม่เที่ยงแล้วคนที่รับประกันเองแกก็ไม่เที่ยงแกก็ตายแล้วคนรุ่นต่อไปก็จะมีท่าทีกันยังไงเพราะฉนั้นไม่มีใครรับประกันอะไรได้หรอกส่วนตัวเราเองเรารับประกันไม่ได้เลยนับประสาอะไรจะไปรับประกันคนอื่นพูดกันหรูๆพูดกันได้ฟังได้แต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ เพราะสังขารที่เที่ยงมันไม่มีความรู้สึกที่เสมอต้อนเสมอปลายเนี่ยมันไม่มีในสามัญชนทั้งหลายถ้า ม, มีก็ในพระระยะแต่พระยะท่านก็อยู่ด้วยกรุณาสมาปฏิยานท่านมองสัพชิวิตด้วยกรุณาเพียงแต่ไม่เดือดร้อนด้วยกรุณาเท่นั้นเองผลสังขารทั้งหลายไม่เที่ยง ถ้าเห็นได้อย่างนั้นก็จะนายในทุกคือทุกอย่างนี่มันเป็นทุกเป็นทุกขขันคือก้อนของทุกเราแตะตรงไหนก็ไม่รู้แหละมันก้อนทุกทั้งนั้นตัวเราก็เป็นก้อนทุกคนอื่นก็เป็นก้อนทุกลูกคนหนึ่งก็เป็นห้าขันก็มีลูกกี่คนก็แบกเอาห้าขันแล้วก็ก้อนทุกล้วนๆไม่มีอย่างอื่นเลย แต่ถ้าท่านเห็นท่านที่เห็นท่านก็บรรลุผลสูงสุดคือนี่เป็นทางแห่งความหมดหมดจดก็เรียกวิสุทธิมรรคทางแห่งความหมดจดเอสะมโควิสุทธิยานี่เป็นทางแห่งความหมดจดตอนนี้ก็มาจากอะไรละมาจากอนัตตลกันสูตรนั่นแหละ แต่ว่าการเป็นฉันทะลักตรงนี้ในอนัตในอนัตตลักอนสูตรไม่มีเป็นทุกข์เพราะอะไรเป็นทุกข์เพราะทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยของผสมกันรุงรังพันเตไปหมดเลยในตัวเราอุตสาห์มีววัยวารดีๆมาแต่ก็มีโรคมันเต็มมือกันเป็นรังของโรค แล้วมันก็ต้องเปิดหน้าผู้ฟังไปเพราะส่วที่มาผสมกันเป็นตัวเราเนี่ยมันมันไม่เที่ยงแล้วมันก็เป็นทุกข์อยู่โดยสภาพก็มันดินก็ไม่เที่ยงน้ำก็ไม่เที่ยงลมก็ไม่เที่ยงไฟก็ไม่เที่ยงอากาศก็ไม่เที่ยงวิญญาณเองก็ไม่เที่ยงธาตุหกติมาประกอบเป็นตัวเราเนี่ยมันไม่เที่ยงสักอย่างนึงะแล้วกิเลสเองที่ยิงก็ไม่เที่ยงนะ เพราะฉะนั้นจะหาความเที่ยงมาจากี่ยการต่อไปท่านก็ออคือสองก็คงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ไม่มีอะไรที่รักษาสภาพเดิมไม่ได้กินเสร็จแล้วก็ต้องหิวอาบน้ำเสร็จแล้วก็ตัวเหนียวยุ่งอยู่เงี้ยวันๆเนี่ ย, นนยบริหารขาน่เนี่ยวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยถ้าเราลองจดไปดูนะแต่ก็ไม่อยากจด เสียเวลาเปล่าๆเพราะมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วถ้าเราจดเอาไว้เนี่ยเราจะพบว่าเวลาเป็นนันมากที่เราต้องใช้ไปในการปลนปลือบบำบัดบำรุงร่างกายเรื่องบำบัดก็เยอะเรื่องบำรุงก็เยอะเรื่องปลนปลือก็เยอะแล้วมันก็ไม่เคยพูดกับเรารู้เรื่อง อยู่กันมาตั้งนานแล้วพูดกันไม่เคยรู้เรื่องเลยเพราะมันเกิดมาจากเหตุปัจจัยเหตปัจจัยในส่วนที่เป็นร่างกายนีย่พูดไม่รู้เรื่องสักอย่างเดียวในส่วนจิตใจเองก็ยอมรับไม่ได้เพราะว่าจำนนไปแล้วจำนนในความเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราเนี่ยเราจำนนไปเสียแล้ว แล้วก็มีการแผดเผาจากปัจจัยตั้งภายในและภายนอกนี่ความราร้อนสารพัดที่จะร้อนร้อนด้วยเพลิงกิเลสกับเพลิงทุกสองอย่างก็ขี้เกียจจะทนแล้วทนไม่ไหวแล้วเพลิงทุกนี่มันบำบัดได้แต่ว่าละขาดไม่ได้ นอกจากที่ละตัวเหตุคือสมุทยัทยแต่คือสมุทัยยังอยู่เนี่ยเราละตัวทุกไม่ได้เพราะอะไรเพราะทุกมันเป็นผลจึงมีความ ร, าร้อนร่างกายในเป็นที่ตั้งของความ ร, าร้อนถูกเผาล้นทางปัจจัยภายในและก็ปัจจัยภายนอก ประการต่อไปพระเถระกล่าวว่าเมื่อใดอริยสาวกพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์เมื่อนั้นอริยสาวกนั้นย่อมหนายในทุกข์นี่ก็เป็นทางแห่งความหมดจดคือหมายความมาท่านที่บรรลุมรรคผลเป็นพระอบุคคลเนี่ยจนถึงเป็นพระราหัน์ก็ไปจากสารสายเนี้ยเห็นจากสารสายเนี้ย ถ้าเห็นในเริ่มต้นที่อนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงท่านก็เรียกว่าอัปปนหิตะวิโมกถ้าเริ่มที่ทุกข์ท่านก็เรียกว่าอไม่ใช่คื อ, อถ้าเห็นที่อนิจจตาก็เรียกว่าเป็น ถ้าเป็นทุกขเนี่ยเรียกว่าอปนิมิอาปนิหิตะวิโมกคือไม่มีที่ตั้งไม่มีเครื่องหมายแล้วก็ถ้าเห็นที่อนัตตาเนี่ยเขาเรียกว่าสุญญะวิโมกหมายความว่าก็เดินสามทางแต่ก็เห็นไปหมดแหละเพียงแต่ว่าเห็นอะไรก่อนเท่านั้นเองอันนี้มิตตะวิโมกอาเปนิหิตะวิโมกแล้วก็สุญญะวิโมก ก็อ น, นิมิตตวิโมกก็เป็นอ น, นิจจังคือหาอ น, นิมิตหาเครื่องหมายอะไรไม่ได้กฎเกณฑ์อะไรไม่ได้เอาเรื่องเอาราวไม่ได้ทีนี้ความเป็นทุกเนี่ยรเราเห็นว่านในที่นี้ก็หมายถึงทุกข์ขันนั่นแหละสิสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขา น, นั่นแหละเพราะว่าถ้าตาบใดยังมีอุปาทานอยู่ ศาตนั้นมันไม่มีทางที่จะเป็นสุขได้และไม่มีทางที่จะหน่ายได้นะเพราะว่าตัวอุปาทานเนี่ยเป็นตัวแสบเลยเป็นตัวกระตุน้นเป็นตัวกระซิบเป็นตัวเร่งร้าวเป็นตัวบงการสั่งการให้เราอยากได้ให้เราอยากเป็นแล้วก็เรายืดติดในความเป็นตัวเป็นตนตลอดถึง ความคิดความเหตุของตัวเองปัญหาที่จริงมันมันจะถามมามากไหมมันก็ไม่ตอบมามากหรอกแต่เราสู้มันไม่ได้เลยสักข้อหนึ่งอะโลภก็สู้ไม่ได้โกรธก็สู้ไม่ได้ราคะก็สู้ไม่ได้โทสะก็สู้ไม่ได้โมหะก็สู้ไม่ได้สู้เขาไม่ได้สักข้อหนึ่งอะเลยพวงนี้เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ แล้วก็ลามปามก็ลามปามออกไปอีกเป็นนั้นมากเพราะถ้าเราเห็นเรื่องทุกข์ก็ไม่มีที่ตั้งไม่มีที่กำหนดหมายก็เป็นการเกาะกลุ่มของสิ่งต่างๆเมื่อ น, นั้นก็จะน่ายในทุกข์เหมือนกันซึงเราจะเห็นว่ามันก็เป็นความเห็นที่ครอบไปหมดครอบคลุมไปหมด อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระัญญาโกฏัญญานี่แหละในช่วงสุดท้ายของพระสูตเนี่ยติกราวโดยสรุปเป็นใจความว่าพระเหตุนั้นแหละภิกษุทั้งหลายขันห้าอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเลวก็ดีพระนิษก็ดีอยู่ไกลก็ดีอยู่ใกลก็ดีนี่มันหมดเลยไม่มีเหลืออะไรอยู่เลยเนะ มันก็เป็นศัก์แต่ว่าขันห้ามันไม่ใช่ของเราแล้วมันก็ไม่ได้เป็นเราและที่สาคัญอนี่ยยิ่งก็คือไม่ใช่ตัวตนของเราแต่ว่าตัวตนของเรานั้นเป็นเรื่องของอำนาจตันหาอุปอาทานที่เราไปยึดติดเราเองในข้อที่สามท่านก็บอกว่า ต่อต่อไปนะฮะต่อต่อไปท่านบอกว่านี้ไม่ใช่ของเรานี้ไม่ใช่เรานี้ไม่ใช่ตัวตนของเราข้อนี้อันเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบทำความเป็นจริงได้อย่างนี้ก็หมายความทายเห็นด้วยปัญญาอันชอบมันก็เห็นอย่างเนี้ยเอ็ดอย่างที่ทรงแสดงแล้วท่านกล่าวว่าเมื่อใดพระยาศสาวกพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่า ททั้งปวงเป็นอนัตตาคือตอนทำเนี่มันจะเป็นทั้งสังขารและวิสังขารมาความนิพพานเองก็เป็นอนัตตาในข้อที่ว่างจากตัณหามานาทิชิว่างจากกิเลสในความหมายว่าว่างจากกิเลสว่างจากอันตาราตัวตนอะไรทั้งหมดอะแต่ก็เป็นสุขนะฮะ เป็นนิพพานังประมังสุขขังคือนิพพานเป็นบรมสุขแล้วเป็นสงบคือนาทีสันติปรังสุขขังเป็นตรีปีติเป็นปราโมทเป็นอะไรที่ดีๆทั้งหลายผลที่ดีๆทั้งหลายที่เราต้องการการมองเห็นเป็นอนาตาก็คือเพราะว่าเราบังคับ กำกับควบคุมสั่งการบงการอะไรเขาไม่ได้เลยเขาก็จะเป็นอย่างที่เขาเป็นนั่นแหละตัะตาคือมันเป็นอย่างที่มันเป็นนั่นแหละแต่ถ้าเรารู้จักปล่อยวางมันก็บรนเทาความทุกข์ลงไปได้เยอะเหมือนกันอย่างเนี้ยในแต่ละวันเนี่ย เรายุ่งด้วยโรคต่างๆแก้ไขโรคฉันยานั้นฉันยานี้ฉันยานน้นมากม า, กายกายกองเข้าโรงพยาบาลตรวจหมอตรวจเช็คสวดหลายๆเรื่องแล้วก็ไม่เคยหายจริงก็ทีหรอกก็ทำแค่บรรเทาออกมาด้วยกันไปด้วยการเลือดสุพรนณ เ, เลยแหละแต่ว่ามันก็ช่วยบรรเทา ประการต่อไปนั้นก็คือมันตรงกันข้ามกับความเชื่อเรื่องอัตตาทาวรแบบพรหมแบบพระเจ้าทั้งหลายเนี่ยมันไม่มีอัตตาทาวออย่างนั้ น, เ, นเพียงแต่อายุมันยืนนะคนเกิดมาสั้นๆมันก็ดูไม่ทันนแต่ว่าถ้าเราระลึกชาติได้เนี่ยเราจะเห็นว่าสิ่งที่ยั่งยืนอยู่ในขนาดนั้น เขาผ่านการเปลี่ยนแปลงมาเยอะเดี๋ยวอาจจะเกิดดับมาแล้วอีกเยอะโดยทั้งไปเอาก็จริงมันไม่เราไม่ได้เป็นเจ้าของอะไรของเราของเราของเราแม้ตัวของเรามันยังไม่เป็นเราเลยทรัพย์สมบัติของเราลูกของเราพันยาของเราญาติพี่น้องของเรารถของเราของเราสารพัดของเรานี่ไม่ของเราสักอย่างเดียว เราต้องชิงไว้เรามาอย่างที่เรามาแล้วเราก็ไปอย่างที่เราไปก่อนมาเนี่เราก็กำมือแน่นมาเลยตอนไปแม้จะรดน้าก็ยังขังไว้ไม่ได้เลยสังเกตเวลารดน้าศพเนี่ยได้ไปรดที่หลังมือของน่ยข้างข้างขง คือไม่ได้ลดที่แบ้มือออกมาแล้วก็รับมันไม่ถึงขนาดนั้นก็แสดงให้เห็นว่ามันบอกกล่าวความจริงว่าไม่มีอะไรเป็นของฉันจริงนะฉันไปแล้วนะฉันไม่ได้เอาอะไรไปเลยนะเธอทั้งหลายก็จะเป็นอย่างที่ฉันเป็นนี่แหละเมื่อเห็นอย่างนั้นมันก็จะหน่ายในถุกแต่ท่านก็เข้าถึงความหมดจด นี่ก็เป็นประเด็นที่เราจะเห็นว่าที่จริงมันก็คือพระสูตนั่นแหละเพียงแต่ว่ามีรูปแบบในการนำเสนอที่แตกต่างกันออกไปก็หมายความว่าองค์ธรรมแต่ละข้อก็คือองค์ธรรมในพระไตรปิฎกนั่นแหละเพียงแต่ก็นำมาร้อยเรียง รวบรวมไว้เป็นจุดๆนี่เรื่องที่เกี่ยวกับพระอัญญากนทัญญานี่เรื่องเกี่ยวกับภาษาดิบุตรแต่มันก็สะดวกในการจับประเด็นคือประเด็นก็จะไม่ขยายกว้างประเด็นแต่ละประเด็นนั้นก็เนี่ยสองสามวัทัดสี่วันทัดอยู่อย่างเงี้ยก็จนกว่าจะจบเรื่องแต่ว่ากว่าจะโจบแต่ละเรื่องนี่ยาวนะฮะแต่ก็คือเหมือนกับเทศกันหนึ่ง แล้วบางทีก็อาจจะซ้อนกันหลายกันคือหลายประเด็นก็ได้ต้องฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญ ง, งอกงามไปบูรในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยโทัวกันสวัสดี